أ ัลลอฮฺประาพ Wa huwa al-haq. بسم الله الرحمن الرحيم ร ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ม ن ف س ن ا ومن س ي ئ ฺไะนุหฺะนัสตฺกฺฟ ل รฺุะะน้ ل อูซฺบิล ل ัลลอฮฺุม له و ุ ش ه د ี ن لا ฟ ل ه ิ ل ا الله وحده لا شريك له و ่าฉันอัลแน ا ์มุฮัมมัดอันอับ ب ุห์วะร ا สูละอ ل ลลอฮุหมะบิก้าอัลส์บะฮ์น้าวับบิก้าอัมซัยน้าวับบิก้านาฮียะวับบิก้านาโมตุวะอิลัยคันนุชูร์อาอุบิก้าลิมัติลลัฮิตามัต ل มินช ร ض ดิทุ้บิ الله ربا وب الإسلام دينا وب محمد الرسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء القبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم ع ا ف ن ي في بدني و ع ا ف ن ي في سمي ع في و ع ا ف ن ي في ب ص ر ي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนืมาตรสุบฮ์ที่มัสยิดของอัลลอ์ที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์และพี่น้องที่ติดตามกับทีวีนะครับที่อยู่ที่บ้านอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานาฮูบะตาลาที่อัลลอ์ให้เรามีชีวิตอยู่นะครับมาถึงวันนี้เนี่ยบางคนก็แข็งแรง อัลลอฮ์ให้นะครับและบางครั้งเราบางคนก็ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็ริสกีเยอะบางคนก็อริสกีน้อยนะครับทั้งหมดเหล่านี้น่ะเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์บางคนก็เสียชีวิตบางคนก็เกิดใหม่บางคนก็ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์รับเกียรติจากประชาชนและบางคนก็ถูกลดเกียรติ ทั้งหมดเหล่านี้เป็นไปตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ทั้งหมดและไม่มีสิ่งใดในโลกนี้นะครับที่จะที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับ <c oughs> ขอบคุณอัลลอ์นะครับที่เราได้ทบทวนอัลกุรอาน <c oughs> ปีนี้เป็นปีที่สามสิบสุรรที่สามสิบนะครับมาถึงสุร์อารูมอายะที่ยี่สิบห้า เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย <c oughs> เราทบทวนอัลกุรอาเนเราได้รับความรู้ว่าอัลล์เนี่ยสามารถนะครับมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างกุดเรตุลลอฮ์แปลว่าความสามารถของอัลลอ์เนี่ยเราผ่านมาแล้วห้าอายะเจาะจงให้มนุษย์คนอ่านกุรอานบอกให้นบีได้ ได้เตือนนะได้เตือนประชาชนว่าอัลลอ์น่ะนะมีความสามารถหรือว่ากุศลรืละุ ล, ล้อเนี่ยมีเยอะแต่ที่เจาะจงนำมาในคัมภีอัลกุรอานก็ห้าอายะที่ผ่านมาห้าอายะมีอะไรบ้างขอสรุปสั้นๆนะครับมีทั้งหมดประมาณรวมถึงอายะนี้ด้วยวันนี้อายะที่ยี่สิบห้าเนี่ยคืออัลลอ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาจากดินนี่สรุปเลยนะ อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากดินข้อที่สองอัลลอฮ์เนี่ยกระจายมนุษย์หรือว่าแพร่พพขยายมนุษย์นี่ให้ออกไปอยู่ทั่วโลกนี่เป็นความความสามารถของอัลลอฮ์ข้อที่สามอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยเป็นคู่รวมไปถึงสัตว์ทุกชนิดแม้แต่ใบไม้ก็สร้างเป็นคู่ ค, คู่คู่หมดเลย ข้อที่สี่อัลลอฮ์สั่งให้มนุษย์เนี่ยแต่งงานกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็สัตว์ไม่ต้องนิกาแต่มนุษย์ต้องผ่านการนิกาแต่สัตว์นี่ไม่ต้องนิกานะครับแต่คนวันนี้ก็อยู่แบบแบบไม่แต่งงานกันก็เยอะเพราะเรียนแบบเรียนแบบสัตว์ใช่ไหมภาษาที่มันแรงนะแต่อัลลอฮ์ให้เราเห็นไงบนโลกดุนยาไปนี่ข้อที่หก ความรักเนี่ยการการแต่งงานเนี่ยข้อที่หเนี่ยแต่งงานเนี่ยอลัลลอฮ์ให้สามอย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยให้หัวใจสงบข้อที่เจ็ดเนี่ยข้อที่หกแต่งงานแล้วทําให้เกิดความรักข้อที่แปดนะครับข้อที่เจ็ดแต่งงานแล้วทําให้เกิดความเมตตานะครับข้อที่แปดเนี่ย อ, อัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้า นะครับเป็นการสร้างที่ยัง่งยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ใหญ่กว่าสร้างชั้นฟ้าเนี่ยนะอลัลลอฮ์เล่าเองนะครับข้อที่ 9, เก้าอัลลอ์ทรงสร้างแผ่นดินเนี่ยให้เรียบให้ราบเรียบแล้วก็ไม่ไรไม่โครงเครง่งโดยเอาภูเขาเนี่ยมาเป็นอะไรนะมาเป็นมุดตึงเอาไว้ส่วนชั้นฟ้าเนี่ยสังเกตนะมีเสาแม่ ไม่มีในะคุณอ่านอธิบายเ ไ, ไวนะ้กับข้อที่สิบเนี่ยอลัลลอฮฺให้มนุษย์เนี่ยที่อยู่ทั่วโลกเนะี่ยมีหลายภาษาเฉพาะภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ย ก, กี่กี่สําเนียงอะภาคใต้สําเนียงหนึงอีสานสําเนียงหนึ่งใช่ไหมแต่ละสําเนียงของเคตนี่สําเนียงเขามีต่างหานะไปไหนมาในของเคสของเคสเอาต่อมาข้อที่สิบอ็ อัลลอฮ์ตาลาตาลาทรงทําทให้มนุษย์เนี่ยมีสีผิวแตกต่างกันเห็นไหมนี่อัลลอฮ์เล่าในัมภีร์อัลกุรอานผ่านนบีให้นบีมาสอนข้อที่สิบสองอัลลอฮ์ทำให้สุเจ้าเนี่ยนอนเห็นไหมแล้วก็สัตว์ทุกชนิดนอนหมดอืมถ้าไม่นอนเนี่ยโยลอลอแย่ไม่นอนคืนเดียวเนี่ยเช้าๆทำอะไรไม่ไหวเลยนะ ข้อที่สิบสานะครับลัทธิอาลาเนี่ยทรงทําให้กลางวันเนี่ยเอาไว้อะไรนะเออกลางวันเพื่อการสแสวงหาริสกีแล้วก็กลางคืนเพื่อการพักผ่อนข้อที่สิบสามบาร์ล็อทรงทําให้ใหอะไรนะให้ให้มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะฟาแลบอ่าฟาแลบอาทิตย์ที่แล้วนะ ฟ้าแลบปั๊บเนี่ยคนนึกสองอย่างบางคนกลัวบางคนดีใจบางคนที่มีสวนมีไร่เนี่ยตูน้ำท่วมหรือเปล่างานนี้แต่บางคนก็อยากจะให้ฝนตกลงมาตะนั้นฟ้าแลบเนี่ยเอาล้อให้มานะครับแล้วก็ตามด้วยฟ้าผ่านะข้อที่สิบสามข้อที่สิบสี่สินะครับ <c oughs> หลังจะเกิด ฟ้าร้องฟ้าฟ่าแล้วก็ทําไม่คนนีก่กลัวแล้วบางคนเนี่ยอยากจะได้เพราะน้ำฝนนั่นแหละนะครับข้อที่สิบหกข้อที่สิบห้าอัลลอฮ์ทรงทำให้ฝนเนี่ยตกลงมาจากฟ้าฟ้านี่ชินจนกระทั่งมนุษย์ไม่ได้คิดนะแต่อลัลลอฮ์ก็สอนนะกะพยกุลอ่านบอกกับนบีฮะ้นบีมาสอนว่าเคยสังเกตไหมล่ะเคยใช้ปัญญาไหมน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าฟ้านะ่ะใครให้ตก ต่อมาข้อที่ส6บหอัลลอฮทรงทำให้ <c oughs> แผ่นดินเนี่ยที่แห้งแล้งเนี่ยเป็นแผ่นดินที่มีชีวิตชีวาเพราะอะไรเพราะน้ําฝนต้องการจะเตือนมนุษย์ว่าหัวใจของมนุษย์กับแผ่นดินนั้นไม่ต่างกันแผ่นดินที่ถูกน้ำเนี่ยทำให้มีชีวิตชีวาต้นไม้งอกงามหัวใจคนก็เหมือนกันถ้ารู้จักอัลลอ รู้จักอิสลามรู้จักซุนนห์นบีมุฮัมมัดนยหัวใจของคุณนมันจะมีอิมานเกิดขึ้นในหัวใจนะครับต่อมาข้อที่17 <c oughs> รอตาล่าเนี่สร้างชั้นฟ้ามานแล้วก็อัลเลาจับเอาไว้ม่ให้ร่วงลงมานี่เป็นความสามารถของ อ, ลอัลเลาข้อที่18อัลเลาสร้างแผ่นดินมานี่นะครับไม่โคงเครง่ง น, นี่ก็ซ้ําๆกันนะข้อที่19อลลาบัญชา นะครับสั่งทั้งหมดนะครับอลัลลอฮ์เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเที่ยงแต่บัญชาเนี่ ย, ยกุนไฟยาคูเนี่ยโรคดุลยานี้ก็เกิดมาข้อที่สิบข้อที่สิบยี่สิบนะครับในวันกิยามะเมื่ออลัลลอฮ์เรียกนี่อายาัดที่ที่ ท, ที่ที่จะเรียนวันนี้แหละนะครับในวันกิยามะมาเนี่ยอลัลลอฮ์เรียกให้มาไลกามาเรียกนะก็เกิดวันวันกิยามะทันที อาวันนี้มาดูอายที่ยี่สิบหานะครับว่มินออยาทีอันตะคุมัสซามาอุลอัรตูบิอัมริซุมไมด้ดะกุมดะเวตัมในอัลลอฮ์อิดะอันตุมทักรูจุ ว่ามีนายาติอัน تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعكم د ع و َ ة ً من الأرض إذا أنتم تخرجون الحمد لله อันนี้ตองการอัลลอฮฺประทานคุรานให้กับนบีให้นบีมาสอน นะครับว่าสัญญาณข้อที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้านะอาทิตย์ที่แล้ว อ, อัย่าอุษาวันนี้กุฎรรอของอัลลอ์ข้อที่หกก็คือหนึ่งในสัญญาณทั้งหลายของอัลลอ์ก็คือชั้นฟ้า <c oughs> หรือว่าเวหาทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็แผ่นดินหรือว่าพีภพ ดำรงอยู่ชั้นฟ้าดำรงอยู่ต้นตร้างมาเนี่ยยังยังไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะแล้วก็แผ่นยินก็ดำรงอยู่ตามอะไรนะตามพระประสงค์ของอัลลอ์ด้วยคำสั่งของอัลลอ์ด้วยพระบัญชาของอัลลอ์โดยไม่ต้องมีเสาให้สังเกตหนึ่งในสัญญาณของอัลลอ์ข้อที่หก ให้มนุษย์เนี่ยให้นบีสอนให้มนุษย์ชายปัญญาให้มองดูเนี่ยชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินไอแผ่นดินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพอสร้างมาน่ยโครงแขงมล า, ายิกาก็ไปฟ้องอัลลอฮฺมนุษย์ก็ตําหนินะโอโ้โหอยู่ไม่มีความสุขเลยโครงแขงโครงเจ ง, ง, เงมล า, ายิกาเป็นเล่าให้อัลลอฮฺฟังอละนะัลลอฮฺนารู้อยู่แล้วนะโครงแขงนาะรู้อยู่แล้วใช่ไหมพอมนุษย์บนบ น, บนอลัลลอฮฺก็อ่ า, อาเดี๋ยวฉันจะ ทำใให้โครงแลงเอาอะไรมาแทนนะเอาภูเขามาเป็นหมุดเอาไว้เป็นตึงเอาไว้มาให้โลกใบนี้โครงพล ง, พลงส่วนชานฟ้าเนี่ยสังเกตไหมล่ะอัลลอ์ให้ชานฟ้าเนี่ยมั่นคงอยู่เนี่ยโดยไม่มีเสาเนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์ سبحانه และอาลานี่บอกผ่านนาบีนะฮะนบีมาสอนแล้วต่อมาอายาร์นี้สอนอีกซุ่มอีกแดากุม ครั้นเมื่ออัลลอ์ดาแปลว่าเรียกดาคุมเรียกสู่เจ้าขณะที่นอนอยู่ในกูโบอาตัวนี้ต้องการจะอธิบายให้นบีฟังและนบีก็ได้มาสอนตัวนีสอนเรื่องอัิีดั์นะเมื่ออัลลอ์เรียกสู่เจ้าเรียกร้องสู่เจ้าทั้งหลายขณะที่นอนอยู่ในกูโบเรียกกี่ครั้งดาวะจันเรียกเพียง ครั้งเดียวเรียกเพียงครั้งเดียวเรียกยังไงในทับเสตอธิบายบอกว่าอะไรนะมีเป่าอะไรนะเป่าที่เป่าอ่ะเขาเรียกว่าสังนี่นะเป่าที่เป่าเนี่ยเป่าเพียงครั้งเดียวนี่นะเป่าสองครั้งเป่าครั้งแรกเนี่ยตายหมดเป่าที่เป่าครั้งที่สองนี่นะด่าวัตัน มินัลอาร์ดิจากชั้นฟ้าเนี่ยมาสู่แผ่นดินเนี่ยนะลอยอยู่ข้างบนชั้นฟ้าเนี่ยนะสั่งให้มารกา์เปล่าเนี่ยเปล่าครั้งเดียวนี่นะอิลาอันตุมตะครูจุนแล้วก็จงดูเถิดสู่เจ้าจะออกมาจากแผ่นดินขณะที่นอนอยู่ในกูโบนเนี่ยฟื้นหมดเลย นี่เล่าให้ฟังร่วมหน้าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วค่อยๆดูกันต่อไปเพราะฉะนั้นหลายคนนี่ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นคนที่ไม่อ่านคุณอ่านเนี่ยแน่นอนเลยเชื่อในใจว่าอรรถมีความสามารถจริงอะ่ะของที่ตายไปแล้วให้ฟื้นขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้อรรถก็บอกให้สังเกตดูแผ่นดินที่ตายด้านแผ่นแผ่นดินที่ไดนนะที่แห้งแล้งเนี่ยฉันยังมีความสามารถ ให้ต้นไม้มันงอกขึ้นได้เพียงแต่น้ำฝนตกลงมาอย่างเดียวนั่นคือความสามารถของอัลลอ์ให้มนุษย์ได้ใช้ปัญญาและใครส่วนที่ผู้คุณนอนอยู่ในกุโบตั้งแต่นบีอาดัมเรื่อยมาถึงคนสุดท้ายของโลกดุญญานี่นะครับก่อนีะถึงวันสันกิยามะเนี่ยอัลลอ์เพียงแต่ดากุ่มดาววันเรียกสู่เจ้าเพียงกี่ครั้งดาววันแปลว่าเรียกครั้งเดียวดาววันเรียกครั้งเดียว อิจ um, หุมอิจฉันตุมตักรูยูนเมื่อ น, นั้นแหละสู่เจ้าจะต้องออกมาขอรอยยักรูจูตักรูยูนแปลว่าออกมาจากไหนออกมาจากกูโบออกมาจากใต้ดินทั้งหมดเลยนี่เป็นความสามารถของอ ok ัลลอฮฺข้อที่หกนี่ไงเห็นยังกัว่าอัลลอฮเล่าในกัฟีคุณอ่านเล่าล่วงหน้าไว้เลยว่า โลกดุลยาจะต้องเดินตามคาสั่งของอัลล์ุ์ตั้งแนะครับทีนี้คาว่าในคัมภีร์คุรานเนี่ยคุรานอธิบายกุรานนะคำว่าอันตะกุมัสสามารถลอารดูบีอัมรีฮีเนี่ยอายะอื่นในอธิบายบอกว่าวยัมวยุมสิกุสสามาอันตะก้อะลาลอารดีอิลลาบีอิสนีอัลลอฮ์เนี่ยยึดชันฟ้าเอาไว้ไม่ให้ร่วงลงมา ในอายะอื่นคุรานอธิบายคุรานนะครับอัลลอ์จับทองฟ้าเอาไว้ยึดทองฟ้าเอาไว้ไม่ให้ร่วงลงมาที่พื้นแล้วก็อินนัลลอฮายามซิกุสซมายุวาติวลออติอันตาซูละอัลล์เนี่ยยึดชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่ให้มันโคลงเคลงเห็น ไ, ไหมมีสองอายะเป็นการอธิบายคำว่า บีอัมริฮีเนี่ยนะในตัสิทธิ์ไบบรีอธิบายดีก็บอกว่านี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เพียงแต่สั่งเอาไว้เป็นความสามารถอันยิ่งใหญ่เป็นความสามารถที่ที่หาขอบเขตไม่ได้เพียงแต่สั่งอย่างเดียวอัลฮัมดุลิลละทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินตามคำสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุุุุุุาุุุ Allah, ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่ ตูลงว่าในวันกิ亚马เนี่ยอัลลอฮ์เรียกกี่ครั้งในตับซินอธิบายอายะอื่นอธิบาอีกนะเรียกเพียงครั้งเดียวแล้วก็เสียงนี่นะครับมันจะลงแทรกดินลงไปเนี่ยไปถึงมมยติฮิวนอนอยู่ในกุโบนะแล้วก็ฟื้นหมดเลยครับแล้วคนที่ฟื้นก่อนนะใครรู้เป่าน บ, บีมุฮัมมัดลลัลลอะฮิวซาลล คนที่ยุค ก, ก่อนๆที่ตายมายุค ก, ก่อนในเกิดที่หลังพวกเราเนะนี่ยอัลลอฮ์ให้เกียรตินะนี่นบีเล่าให้ฟังนบีอธิบายว่าอุมมะของนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นอุมมะสุดท้ายแต่เวลาฟื้นฟื้นก่อนเข้าสวรรค์ก็เข้าสวรรค์ก่อนนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับที่พวกเราต้องทนะํางานศาสนาเนี่ยหนักนี่นะอัลลอฮ์อักุบัดนะครับแล้วก็ถูกใส่ร้า ย, ายถูกโจมตีใช่ได้ไม่ใช่ เราติดตามข่าวดูนั่นแหละในการอธิบายกุรานทั้งหมดเลยสาทีน่นี้ในตับซส้นอธิบายต่อไปอีกว่าท่านอิหมามีหลายมีมีหลายหลา ย, หลายท่านนะนะอธิบายกุรานนะครับคำว่าไม่มีอะไรบนโลกดุนยาใบนี้ที่หลงเหลืออยู่ที่จะไม่ฟื้นนะไม่มีนะ เวลาทุสิ่งทุอย่างบนโลกดุียบนี้หมดหมดอายุเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์หลงหลงเหลืออยู่เพราะอัลลอฮ์ฮุวัลอาคึรูวัลอัลวัลอัลลอฮ์เป็นองค์แรกก่อนหนะ้อาอัลลอฮ์ไม่มีอาัลลอฮ์เป็นองค์องค์สุดท้ายหลังจากอัลลอฮ์ก็ไม่มีอะไรก็มีอัลลอฮ์นั่นแหละเดี๋ยวอัลลอฮ์จะสั่งเองนะครับเอาต่อมาอายาที่ยี่สิบหกนะครับ วะเลห์มัมฟิสส ا มะวะติว์และอัลร์บ์คุลล์ละ ل ์กานิตุนวะเลห์มัมฟิสส์มะวะติว์และนิตยนี้ต้องการจะ บอกให้ท่านนบีให้นบีมาสอนนะบอกว่าละหูเนี่ยคงว่าละหูแปลว่าเป็นของอัลลอห์สังเกตนะละหูอาย่านี้มีกี่ครั้งมีกี่ครั้งสองครั้งนะวลหูมังนสมมาวัติว่าอ้อดิกุลละหูอ่าครั้งที่สองอายาเดียวพูดสองครั้งเพื่อจะเน้น ให้คนอ่านคุณอ่านให้ท่านนาบีไปสอนต่อว่าอายะห์เดียวอัลลอฮ์พูดว่าเป็นของอัลลอฮ์นะเป็นของอัลลอฮ์นะละหูละหูเห็นไหมท่านคนอ่านคนุณอานต้องต้องสังเกตเยอะๆอ๋อทำไมใส่ละหูถึง2ครั้งวะละหูมัมฟิสมาวาติวะอัลอดิ์กุลละหูกอนิตุละหูละหูมี2ครั้งเพื่อจะบอกให้คนอ่านคนุณอานว่า ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ที่อยู่ในแผ่นดินก็เป็นของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของอัลลอฮ์หมดเลยมีเจ้าของเกิดขึ้นเองไหมไม่เกิดครับเนี่ยเป็นการทำลายอากีดาของคนที่พูดว่าแผ่นดินถือข <laughs> มาเองชั้นฟ้ามาเองลมพายุมาเองเนี่ยฝุ่นฝุนเนี่ยฝุ่นอะไรนะเ <laughs> นี่ยฝุ่นที่บรรเาเนี่ย ละอองเยอะมากฝุ่นละอองนี่เป็นการทดสอบจากอล l a แล้วก็หลายคนที่ทําบาปบาวไว้สำนึกตัวบ้างหรือเปล่านึกถึงสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสาลามอัลลอฮ์ให้มวยจีดาต่างๆที่ผ่านมานะ้ำเป็นเลือดนะทั้งทั้งแผ่นดินอียิปตนะ์น้ำเป็นเลือดหมดเลยแต่ฟาโร์เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนในิสัยแล้วก็มีกลุบมีเคียด มีแมลงเต็ไมไปหมดเลยตักน้าําเจอเขียดเจอกรบอ่ะสำนึกตัวมหมยังไม่สํานึกตัวเลยวันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเอาล่อเตือนนะเองกลับเนื้อกลับตัวได้แล้วแต่ดีสายคนไทยกับแปลงมา น, นะเขาก็รอ ก, กันนะวะที่ฝุ่นมันเยอะพราะคนว่างานมันเตะฝุ่นฝุ่นกระจายตอนนี้ก็ว่ากันไป วาฬหูมัมฟิสมาวาทิวลอาร์เลและเป็และแผ่นของ Allah นะมันฟิสฟิสามาวาที่ผู้อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายมันแปลว่าผู้ที่มาถึงสิ่งที่มีสิ่งที่มีชีวิตนะมันเนี่ยนะสิ่งที่มีชีวิตในชั้นฟ้าทาั้งหลายและแผ่นดินเป็นของ Allah และสิ่งเหานี้จะต้องตายหมดนะของที่มีชีวิตเนี่ยตายหมดในวันเกีย ม, มาตายหมดนะครับแล้วก็ฟื้นมนุษย์นี่ฟื้นหมดนะครับต่อมาครับกุลลละหูกอนิตูนและทั้งหมดกุลลูปแปลว่าทั้งหมดเลย e v ร r y สิ่งนะทุกทั้งหมดที่มีชีวิตเนี่ยนะละหูเป็นของอัลลอฮ์กอนิตูนเป็นผู้พักดีต่ออัลลอฮ์ อธิบายยังไงเป็นผู้พักดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยอธิบายอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในชั้นฟ้าและทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินนะครับเป็นของอัลลอฮ์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์หมดเลยมีจอมาณเก้าข้อเป็นการอธิบายง่ายๆข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์สั่งให้สิ่งที่มีชีวิตตายตายไหมไม่มีใครฝ่าฝืนคําสั่งอัลลอฮ์ความตายมาทันทีเรื่องที่สอง จะให้ใครเกิดอลัลลอฮ์ทำได้หมดเลยสั่งข้อที่สามให้ใครมีสุขภาพแข็งแรงนีอ่อัลลอฮ์สั่งเลยนะอ้าวคนนี้แข็งแรงอ่าให้คนนี้เจ็บไข้ไดป้ป่วยอัลลอฮ์ขนาดออกกําลังกายทุกวันเลยเนาะออกกําลังกายทุกวันนะยังตายเลย ไอคนที่ออกกำลังกายก็ภูมิใจว่ัชรในแข็งแรงแข็งแรงดี่ไหนได้รออาควาตตายแล้วเชื่อได้ผู้อาชื่อผู้อานัยอยู่แต่แถวบังกองโนดันโน่นนะนะรู้จักกันกับผมสนิทกันดีขอบคุณพ่อเขาหน่ะรู้จักกับความร่าดีอย่กูอิสมาเอลกูรั้ว่าแต่ลูกชายเนี่แข็งแร ง, แ ง, แรงน่ะตายผมก็บอกมังเสรมระวังหน่า แข็งแง แ, งแข็งแรงเวลาเราจะเอากับเนี่ยอัลลอฮ์แป๊บเดียวนะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้เดินตามคำสั่งอัลลอ์เช่นอะไรบ้างความตายการมีชีวิตอยู่ความเป็นสางสุขภาพแข็งแรงการเจ็บไข้เด้ป่วยอัลลอ์ะจะยกใครให้ใหสูงขึ้นทำให้ใครต่ำลงเป็นหน้าที่ของเราแล้วก็เชื่ออัลลอฮ์หมดเลยข้อที่ข้อที่8กับข้อที่9อะไรนะให้ร่ำรวยกับยากจน ดูแลอัลลอฮ์จัดการดูแลจต่เพียงผู้เดียวถึงอัลลอฮ์เตือนทงอเกคุณอ่านแปลว่ากุลลุลละหูก้อนีตุนก้อนีตุนแปลว่าเชื่อฟังพักดีปฏิ ul บ, บัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อย่างน้นอยเนี่ยยกตัวอย่างให้ง่ายแค่ 8-9 รายการอะไรบ้างความตายให้ตายให้เป็นให้สุขภาพแข็งแรงให้ป่วยให้ตกตให้มีเกียรติให้ไรเกียรติ ให้ร่ำรวยให้มีเงินทองมากแล้วก็ให้จนให้มีเงินทองน้อยนี่อยู่ในความเมตตอยู่ในะความเมตตาของอลอททั้งหมดฉะนั้นใครที่รวยๆเนี่ยต้องนึกนะไม่ใช่อัลลอฮ์รักฉันโอ oh. ว่าให้ฉันรวยเนี่ยไม่ใช่ให้ใครจนมาดีหมายความว่าอัลลอฮ์ไม่รักคนคนนี้นะอัลลอฮ์รักหมดนั่นแหละแต่ให้เพื่อการทดสอบเอาคนที่ไม่เอาเอัลลอฮนะ์นะ่ะในสมัยนะบีมูซาโอ้โห oh. มี ดังๆกี่คนน่ะฟาโร่ดังไหมดังมากอาอัลลอฮ์เ่าไม่เอาอัลลอฮ์กอรูนดังไหมดังมากฮามานดังไหมดังมากอ้าอัลลอฮ์ไหมอาอัลลอฮ์ให้อํานาจไหมไหมให้เงินให้ท้องให้ชื่อเสียงให้ตําแหน่งแล้วเป็นไงครับอัลลอฮ์กระชากลงแผ่นดินหมดเลยกอรูนเนี่ยอัลลอฮ์ให้แผ่นดินสูกเนี่ยแต่นี่เป็นต้นนะครับนี่เป็นข้อเตือนใจ เพื่อจะให้คนที่อ่านคุณอ่ า, านเนี่ยถ้าคนอ่านคุณอ่ า, านเขาเี่คนคนคนฉลาดหมดคนฉลาดหมดคนอ่านคุณอ่ า, านคือคนฉลาดแล้วคนที่ลุกขึ้นนามาเนี่ยเป็นคนฉลาดคนที่นึกถึงอลัลลอฮ์เป็นคนที่ฉลาดอลัลลอฮ์ยกย่องในการพิจารณาทำเดี๋ยวลิลล่ะ อ, อ่ะทีนี้ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะปฏิบัติตามคําสั่งของอลัลลอฮ์นะ แล้วก็ไม่คิดที่จะแซงหน้าอัลลอฮ์ไม่มีโอกาสที่จะแซงหน้าอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็อย่างความตายมาย ก, ยกตัวอย่างความตายเนี่ยคุณอ่านอะไรทีอย่างนี้อิละเจาอะจัลุมละยัสตะคิรูนัสอาเจ้าวะและยัสตะดีมูนนี่ยกตัวอย่างแค่ความตายอย่างเดียวนะเมื่ออัลลอฮ์ตาลาจะให้มนุษย์นี่ตายเนี่ย ไวไปหนึ่งนาทีก็ไม่ได้ช้าไปหนึ่งนาทีก็ไม่ได้ตรงเวลาเป๊ะเลยครับเป็นอย่างครับนี่เป็นความสามารถของอลัลลอ์ร่ำรวยก็เหมือนกันถ้าอาลัลลอฮ์จะให้คนนี้มีริสกีกว้างขวางใครมาห้ามในได้ไหมไม่ได้ก็เราอ่นอานอุท่าตอนจะให้มาให้สลามนี่แหละอัลลอฮุมาลามาเนีย um ลิมาออตอตีตาไม่มีใครมายับยั้งได้ถ้าอาลัลลอ์จะให้เวลามวงยตย ลีมามานาต่ถ้าอัลลอฮ์จะให้เนี่ยใครมาความก็ถึง่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ให้ยังไงยังไงมันก็ไม่ถึงสังเกตแม้แต่ข้าวที่เราใส่ปากเราเนี่ยนะถ้าไม่ใช่ริสกีของเรานะี่ยร่วงนะเราต้องนึกอลอร์นี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาอัลลนะครับอาตัวมาอายะที่ี่สิบเจดนะครับ อายานนี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้นะครับความสามารถของอัลลอฮ์นี่ยิ่งใหญ่มากแต่คนกาเฟตเนี่ยพอได้ยินคุรานอายานนี้ผ่านนบีมุ hammad แปลกใจว่าจริงเ่ะอ่ดูครับวะฮุวัลละดีอับดอลขัลกัสุมมายูไีดูวะฮุวะอห์วะนูอัลัย วَ ل َ ه ُ ا ه ه ل م َ ث َ ل ُ الأعلى في السماوات َِّ والأرض ََ وهو ُ العزيز الحكيم َ وهو الذي يبدأ الخلق ََ م َّ يعيده ُ وهو ُ أهون َْ عليه وله ا ل م َ ث َ ل ُ الأعلى ฟิสมาวาติวัลอ أ ر ض วะหัวัลอาซิซุลฮะกีมอัลฮัมดุลิลลาห์คนกาฟเฟ่เนี่ยเมื่อได้ยินอาย่านี้จากปากของท่านนาบีผร้นบีสอนเนี่ยงงแปลกใจอ่ะ อัลลอฮ์เนี่ยมีความสามารถให้สิ่งที่ตายไปแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมามีชีวิตชีวีใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือตายแล้วต้องฟื้นหรือคนกาเฟตงงก็จะ เ, เตือนพวกเรานี่แหละบางทีเราก็ลืมมารอเหมือนกันนะนึกว่าตายแล้วตายเลยนะไม่ใช่นะตายแล้วต้องฟื้นฟื้นขึ้นมาทําอะไรครับต้องมารับรางวัลความดีที่เราอดทนอยู่ในาศาสนาอิสลาม แล้วใครที่ปฏิเสธอิสลามก็วันนั้นก็มีรางวัลตอบแทนอันเป็นการการลงโทษที่เจ็บแสบเหมือนกันเอาดูคำแปลครับวะฮุวะลลีฮูวาะก็หมายคือ Allah นะอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์อัลลดีผู้เป็นผู้ซึ่งทำอะไรครับยาบดา้าอูแปลว่าเริ่มแรกบาดายาบดา้าอูแปลว่าเริ่มแรกเมื่อก่อนเนี่ยไม่มี ชั้นฟ้าก็ไม่มีแผ่นดินก็ไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีไข่ก็ไม่มีไก่ก็ไม่มีเป็ดก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยบนโลกดุริยาไค์นี้อัลลอสร้างเริ่มแรกในการสร้างแล้วก็ต่อมานะครับตายหมดเนี่ยละลาในมันตะเกียบกุรานนะสพสิ่งทั้งหมดบนโลกดุริยาง์นี้เสียชีวิตหมดตายหมด ซุมมาอยูด่ดูหลังจากนั้นอลัลลอฮ์ก็ให้กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นความสามารถอันยิ่งใหญ่ของอลัลลอฮ์คนกาเฟตมุชริกในนครมกักกะงุงมเอ๊ะจริงเหรอจริงเหรอเอาราจะลาเนี่ยจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีพินาดหมดแล้วก็จะให้ฟื้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหึงจริงเ คนกาเฟตคนมุชลิกในนครมักกะงงวันนี้ชาวมาคุณในประเทศไทยก็งงเหมือนกันเอ๊ะจริงอ่ะอลัลลอฮ์มีความสามารถจริงอ่ะอัลลอฮ์อัลกุรอานพะหลายคนนี่น ะ, วนละลเวลาลืมอัลลอ์นะพูดจาโอหังหนาดูเลยฉันนี่ร่ำรวยเพราะเพราะสติปัญญาความรู้ของฉันฉันนี่หาเมียได้สวยเพราะความสามารถของฉันฉันนี่ลินทองจริงๆจีบใครก็ได้หมด วันที่นึกถึงก็รอดเลยแล้วไม่ลืมแล้วที่เราแข็งแรงวันนี้เพราะอัลลอฮ์ให้ที่เราร่ํารวยวันนี้เพราะอัลลอฮ์ให้ที่เรายากจนวันนี้เพราะอัลลอฮ์ให้ที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้อัลลอฮ์ให้ต้องนึกตรงนี้ครับว่าอัลลอียับดอุลขลกและอัลลอฮ์คือผู้ทรงเริ่มแรกในการสร้างอัลขลกแปลว่าการสร้างยับดาแปลว่าเริ่มแรก ในสอนเรื่องอัคดีได้เลยนะว่าก่อนหน้าอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีอะไรหลังจากอัลลอฮ์เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเพนะื่น้องเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยให้เป็นขั้งแรกเริ่มแรกมาจากอัลลอฮ์อาลาหมดเลยถามว่าไก่กับไข่อะไรมาก่อนผลตังเถียงกั่นนะนะถ้าอ่านกุ้นอ่านาจะังว่าไข่เนี่ยมาก่อนไก่อำเดี๋ยซุมมาโยุอด uh. ููแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้มันอะไรนะ ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเช่นมนุษย์นอนอยู่ในโกโบอลัลลอฮฺจะให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับอลัลลอฮฺก็เล่าต่อไปอกีกถามว่าการให้ฟื้นขึ้นเนี่ยง่ายหรือยากวฮุวะอะฮวนูอลัลไลวะฮุวะอะฮวนูอัลไลอาวนนี่แปลว่าง่าย อหวันแปว่าง่ายมันเป็นง่ายสําหรับฉันลอฮฺอักบัอัลลอฮ์เพียงแต่สั่งว่าไงานะกุนไฟกุลเพราะสั่งว่าเป็นเป็นเลยอัลลอฮ์เล่าดังเอฟีคุอ่านผ่านนาบีให้นบีมาสอนว่าไอเรื่องตายไปแล้วให้ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะอหวันอหวันแปลว่าไรง่ายมาก very easy ง่ายจริงๆอัลลอฮฺอักบั ไอ้สร้างครั้งแรกเนี่ยยากกว่าพอสร้างแล้วตายแล้วก็ให้ฟื้นใหม่ไอ้ฟื้นใหม่เนี่ยง่ายมากอลัลลอฮฺเห็นยังครับก็คนจนๆให้รวยได้ไหมลนะ่ะได้ไอ้คนอ่อนแอเนี่ยอย่างคนนอนเตียงเนี่ยผมนึกว่าน่าจะตา ย, น, ยนะที่น้าได้อยู่ยาว ก, กว่าคนแข็งแรงอีกนะแล้วคนเป็นโรคมะเร็งนะ่ยมันหายกันมาเยอะแยะแล้วเหรอเห็นไม นี่เป็นสอนเนี่ยเราคิดหมดเลยโอ้อาภัตฉะนั้นให้เรามอบหมายตนต่ออัลลอฮ์องเดียวอืมพี่น้องจะไปไหนมาไหนฉันขอมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์จะนอนขอมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์เวลาสแสวงหาฤสกีฉันขอมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ว่านบีก็สอนอีกมอบหมายตนบางทีมอบหมายไม่เป็นอะ่ะพอ้มอบหมายตัวทํามยังไงตะวลนแสวงหารฤสกีอัลลอฮ์นบีสอนเลย ให้มอบหมายตนสแสวงหาริสกีเหมือนอะไรเหมือนนกอเห็นเลยอใช่ใช่เลยเหมือนนกอ้าวมอบหมายตนต่อเหรเหมือนนบีอิบรอฮิมลยฮิสแลมเมืมอ่อตอนที่จะจับโยนใส่ไฟเนี่ยกำลังร้อนร้อยู่ในอากาศเนี่ยญีย่ปุ่นลงมาถามว่าให้ฉันช่วยไหมฉันตอบว่าไง ถ, ถ้าท่านฉันไม่เอาถ้าอ AH ัลลอฮ์สิฉันเอานั่นเห็นไ้ม เขามอบหมายตนต่อลอสุภาณหัวตาลาท่านอาญาเนี้เตือนให้เราเนี่ยมอบหมายตนต่อลอสุดุสึงุกอยางเป็นของอัลลอ์อัลลอ์สร้างมาเสร็จแล้ววันหนึ่งอัลลอ์จะให้มันหมดไปแล้วก็ให้ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึง ว, วะหวอวันอาวันไปไวะไรง่ายมากอัลลอ์อัเรื่องง่ายง่ายอย่างเรากระนาใช่ไหมละ่ะโอ้ฉันเรื่องง่ายฉันทำไดอย่างี้ใช่ ไ, ไหม อ่ตมาครับวะลาหุลมาซัลุลอาลาวะลาหุมาเอเละวะลาหุแปลว่า เ, เป็นของอัลลอ์นี่ขั้งที่สาม้ลนะแค่สงอาญาเอมนี่ขั้งที่สามล้วะลาหุเป็นของอัลลอฮ์อัลมาซลแปลว่าอันนี้เป็นลักษณะคุณลักษณะอันเลิศสุดของอัลลอส์ซุบฮานาฮูวะตาลานะครับ คือไม่มีอะไรเหมือนอัลลอฮ์เลยไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เหมือนอัลลอฮ์เลยแม้แต่นิดเดียวอืมอยู่ลิลจะไปเทียบกับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้นี่สอนมนุษย์สอนมุสลิมสอนนบีให้นบีมาสอนว่าอย่าไปอเร า, อ ย, าอย่าไปเทียบกับอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ความสูงส่งของอัลลอฮ์ سبحانه และุทธาลาอุดมมาอธิบายอย่างนี้นะ คำว่ามาซัลกับมิสลูเนี่ยแตกตาก่างกันนิดหนึ่งตัวสะตายนะมิสลูกับมาซาลูเนี่ยตา่างกันนิดหนึ่งต่างกันมีความหมายต่างกันนะคืออัลลอฮ์เนี่ยนะชื่ออัลลอฮนะ์คืออัลลอฮ์ แต่สิ่งฟ้อัลลอฮ์เนี่ยมีเท่าไร99พระนามตอนที่ท่านนาบีหลังจากนี้อุทยยจากมักกะฮ์ไปอยู่ที่นครมดีนะเราต้องการจะกลับมาทําอุ้มร้อนเนี่ยพวกมุชริกเนี่ยขวางไม่ให้นบีมาทําอุ้มร้อนกับบรรดาอบาาบิบลามนบีวันนั้นทําสงครามฮูดัยบียะสงครามฮูดนะัยบียะหนักเสร็จแล้วก็ทําจดหมาย นายจดหมายเนี่ยมุสลิมเป็นคนเขียนนะเขียนว่าไงรู้ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรรฮมคำขึ้นต้นคนอาบมุชลิกบอกว่าบิสมิลลาเนี่ยฉันเข้าใจเริ่มต้นฉันขอเขียนจดหมายด้วยนามของอัลลอ์ฉันเข้าใจฉันรู้แต่อีสองคำเนี่ยอารามานิรรฮมเนี่ยฉันไม่เข้าใจลบออกไปซะอธิบายยังไงพี่น้อง บิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เขารู้จักคนอาดัลบูชเิกรู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่รู้จักอารามานอารอฮีมนี่พระเจ้าคนที่สองที่สามใช่ไหมอย่างนี้ครับเนี่ยอาดัลบูชเลกในะสมัยก่อนเนี่ยยังดีกว่าพี่น้องประเทศไทยนะเขายังรู้จักอัลลอฮ์นะแต่พี่น้องประเทศไทยไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยอาชันฟ้าใครสร้างเกิดขึ้นมาเอง ดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาเองมนุษย์เกิดขึ้นมาเองแต่คนอาหรับโมชเรีกยังยอมรับว่าอัลลอฮ์มีแต่เขาไม่รู้จักสิฟัตของอัลลอฮ์สิฟัดอะไรอรัลลอฮ์ฮามันอัลลอฮัยนี่เป็นสิทฟัตของอัลลอฮ์คนอาหรับไม่รู้ประเหต์ น, นี้อัลลอฮ์จึงส่งส่งนบีมอศรเรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวนะ่ะฉะนั้นการรู้จักอัลลอฮ์เพียงอัลลอฮ์องเดียวนะ่ะแล้วก็สิทฟัตของท่านอีกแล้ว อีกเทา่าไรอีกเก้าสบเกพระนามฉะนั้นอนะัลลอ์น่ะเป็นห่วงคนเหล่านี้กลัวจะตกนรกก็เลยส่งน บ, บีมูฮัมมัดมาสอนแนั้นในคัมภีร์อุลตร์ آن, เวลาจะขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์นี่นะให้ขออย่างนี้กูลิดดอุลลอห์เวลาจะเอ่ยอัลลอฮ์ให้ขอจะอัลลอฮ์ตรงๆเอาเอาวิดะอุลราะห์มานหรือจะเรียก อัล์มานสิฟธต์แทนอัลลอฮ์ก็ได้เช่นย่ยาอั์มานยาอัลลฮีมยาอัูฟูรยาอกฟอร์ยาโมกริบัลกรูนี่เป็นสิทัของอัลลอฮ์ทั้งหมดเราเรียกอัลลอฮ์เรียกอัลลอ์ตรงๆหรือเรียกซิทัตของอัลลอ์ก็ได้เวลาจะขอดุทิศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาดานะครับอัยยามาตอบูดูวาลุลอัมาอลฮุสนา พระนามของอัลลอฮ์น่ะสิ่งตของอัลลอฮ์มีทั้งหมดเท่าไหร่นะ99พระนามเรียกว่าอัสมาอุลฮุสนาให้เราเอ่ยชื่ออัสมาอุลฮุสนาแทนอัลลอฮ์ก็ได้ตุลงว่าสิ่งตอัลลอฮ์มีเท่าไหร่นะ99พระนามนะครับกดลําเดีลล๋ยวนะตอนนี้รุ่นใหม่เดี๋ยก็ท่องจํากันหมดแล้วนะเด็กๆรุ่นใหม่นี่ท่องสิ่ัตอัลลอฮ์จําหมดเลยนะคอท่องแบบเป็นแล้วนะเป็นเพลงอ่ะอ๋มันหน้าท่องอ่ะทํากันเลยละ เอาต่อมาครับพี่น้องตกลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เปรียบเทียบกับอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้นะครับเอาต่อมาที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดและแผ่นดินเนี่ยอย่าไปเทียบกับอัลลอฮ์เลยนะครับไม่มีใอะไรสามารถเทียบกับอัลลอฮ์ได้นี่พูดเรื่องซิฟัตนะเรื่องเรื่องตาฮิตหมดเลยนะสามสี่อายะที่ผ่านมาเนี่ย ต่อมาครับวะหุวะลาฮิซุลฮะกิมและอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจอัลลอ์คำว่ามีอำนาจอธิบายอายาอายาที่ยี่อำนาจที่จะให้มีวันเกียรมะเมื่อไหร่ก็ได้จะให้ใครรวยก็ได้ให้ใครจนก็ได้ให้ใครป่วยก็ได้ให้ใครมีสุขภาพแข็งแรงก็ได้ให้ใครไรเกียรเคยมีชื่อมีเสียงในสังคม อัลลอฮ์ให้ลดเกียรติเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์หมดเลยให้ใครร่ำรวยหรื อ, อยากจนเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์นี่ไงอัลลาฮิอัลฮากีมผู้ทรงปรีชายาณบางทีอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยเคยร่ำรวยมาแต่เราก็เสียคนอัลลอฮ์ก็เปลี่ยนเมตอัลลอฮ์เ ม, ม, มตานะให้คุณเนี่ยจนบ้างคนที่เคยแข็งแรงเนี่ยกรตอนแข็งแรงเนี่ยตะกะบดเยอะยิงเดินอัลลอฮ์ Allah! ไม่นึกถึงคนยากคนจนเลยนะ่ะตังมีไม่มีอลัลลอฮ์ก็เปลี่ยนนิสัยอ้าวคุณเคยรวยมาแต่ก็ไม่เอาอิสลามอ้าวให้คุณจนจนก็มารู้สึกตัวเองอ่ะโทษคนนั้นโทษคนนี้ไอ้คนนี้ละเนี่ยมีปัญหากับฉันทําไม่ฉันทําธุรกิตมันจะเลยไม่ใช่ัน่นคือซาบาับแต่ที่แท้จริงนั้นมาจาก Allah, าาอัลลอฮ์สะพานอัลลาถาว่าในคัมภีกรุรอานอธิบายอย่างนี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถามว่าเจ็บไข้ทําไม อาข้าหน้าุมบอาข้าวหน้าุ่มลบาก์และดรอร์ล์ลัลละหุ่มจะต้องร้ออุนอัลลอฮเนี่ยลงโทษหมายถึงว่าทดสอบเขาเนี่นะให้เก็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ยากจนล้าละหุมจะต้องร้องเพื่อต้องการจะให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนอ บ, น, อบอน้อมถ่อมตนเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่สำเร็จตัวเนี่ยอะไรนะฝุ่นละอองครั้งนี้เลยนะ นี่เป็นการทดสอบจตกอลัลลอฮ์ท่านคนที่มีประโยชน์ก็คือคนที่คิดฉันเนี่ยทำตัวดีหรือแลวต้องนึกโอ้โหน้ำหมายยังไม่ครบเลยฮะเวลาเริ่มน้ำหมายครบซะด่าเมียทุกวันเลยเอา้าเปลี่ยนแปลงซะมันต้องนึกตลอดเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นข้อเตือนใจทั้งหมดเพราะไม่มีอะไรที่อลัลลอฮ์สร้างมาฟรีๆนะไม่มีครับเป็นข้อเตือนใจทั้งหมดเลยนะครับเอาต่อมาอายะ ที่อายาสุดท้ายนะใช่ไหมใช่คือฮัดย์สุงท่านน บ, บีสอนอย่างนี้ผ่านน บ, บีนะคันน บ, บีมาสอนเราว่ามนุษย์เนี่ยนะดาอัลลอฮ์ดาอย่างไรรู้ไหมอัลลอ์ไม่มีความสามารถที่จะให้ที่ตายไปแล้วน่ฟื้นขึ้นมาแล้วว่านี่อัลลอฮ์โกรธหรือเปล่าแล้วก็ตำหนิอัลลอ์ด้วยดาอัลลอฮ์ด้วยว่าอัลลอ์นะพูดโกหก เนี่ยเอลลาลอตเตือน์ในกนรารฝึกุปนิสแล้วก็บอกกับ น, นบีให้มาสอนอกีกฉนั้นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องอัลลอฮ์ سبحانه และเตารองลงมาจากพ่อรองลงมาจากอัลลอฮ์อะไรไหมพ่อแม่ตําแหน่งของพ่อแม่เนี่ไปร้องลงมาจากตําแหน่งของอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาเรามีอิมาลต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์แล้วยาลืมพ่อแม่ตัวเองนะครับเอาต่อมาครับอยายะสุดท้ายอยายะที่28 ضرب لكم مثلا من أنفسكم هلكم مما ملكت إيمانكم من شركا من شركا إفيمارزاقناكم فأوفأنتم في هزوة ตาข้อผู้นำُมกขีฟติَุมอัมฟูสะคุมกาฬิกานุฟัดซิลุลอายาติลข้า ل ُ و ยَงติล ب َ ل َรُบล م َุมมًส م ลามินอั ف ُِู ك ُุม Halakum l mimma malakat, aima nu kum m insurake, y fi ma r a z a q n a k u m fantum fi isawa, t a k h a f u n a h u m kakhifatikum amfusakum. กคดัลิกะนุฟาะซิลุลอายาต์ลิความียากลุนฮัมดุลิลอฮอขยอนี้อัลลอฮฺได้อธิบายนะครับยกตัวอย่างเรื่องชิริกนะเป็นบาปใหญ่บางคนไม่เข้าใจ โดยยกตัวอย่างเรื่องของตัวคุณเองนั่นแหละเพื่อจะอธิบายเรื่องชีริกยกตัวอย่างชีวิตของคุณตัวคุณตัวของมนุษย์นี่นะให้เข้าใจเรื่องชีริกง่ายๆเพราะชีริกนี่เปนบาปใหญ่นะท่านอย่าทำพี่น้องฉันคนที่ทําชีริกแล้วก็พาชีริกติดตัวไปพาชีริกติดลงไป พาเชริกติดพาขาวไปพาไปด้วยความจริงเชือดมันต้องมันต้องทิ้งก่อนใช่ไหมแล้วก็ตายนี่ไม่ยอมทิ้งอ่ะยังชุดตัวตะเกียบมันเดิมนั่นแหละยังยึดตัวเรายอมเหมือนเดิมนั่นแหละยังเอาอาซิมัดมาห้อยอีกอ่ะยังไม่หาหมอดูอกีจกจนกระทั่งตายเลยนะ่ะแล้วเพราะว่าบางคนเข้าใจยากมากเลยเิือดอะไรวะ อันนี้อัลลอ์อธิบายกาพีุอานานบีมมาท่านนบีมาสอนบอรอบาาลกุมแปลว่าอัลลอ์ได้ทรงเปรียบเทียบหรือว่าอุปมาหรืออุทาหรณ์ละกุมแต่พวกท่านนะครับบอรบาาลุมมาซาลนมาซาลนแปลว่าเปรียบเทียบอุทาหร์อัลลอ์ได้ยกอุทาหรณเปรียบเทียบให้แก่พวกท่านได้เข้าใจนะ มินอัลฟุสิกุมที่มาจากตัวของสัวเจ้าเองต่อการจะอธิบายเรื่องชิริกว่าชริกหรือทำไมคุณเข้าใจยากเหลือเกินเนี่ยยังทำอะไรต่ อ, อะไรแข่งกับอัลลอฮ์อยู่วันนี้มาฟังคุณอานนายนี้อัลลอ์เตือนอยังไงฮัลลากุมมิมมามล拉กัสไอมานนกุมมีบ้างไหม สำหรับสูเจ้าที่จะยอมให้คนชายคือเป็นอย่างนี้อธิบายอย่างนี้ท่านเนี่ยเป็นนักธุรกิจยกตัวอย่างนะเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็มีอินคัมมีรายได้เนี่ยอ๋อเดือนหนึ่งหลายๆลาล้านท่านมีที่ดินมีมรดกเยอะแย ะ, ยะไปหมดเลยเป็นคนมัคนคนรวยนะนะแล้วก็ท่านเนี่ยมีอะไรนะ มีทาดแล้วก็มีอะไรมีคนใชยมีพนักงานตายการดูแลของท่านนะ่ะแล้วก็พนักงานเหล่านี้เนี่ยต้องการจะมีหุ้นส่วนในทรัพย์สินของคุณอ่ะคุณพอใจไหมก็ยังนะลูกจ้างเลาวนี่แหละหรือว่าทาธาธก็ได้แต่เรายกกุปกรานทาดนะ มีมามาลกาศไอมานุกม ค, คนที่อยู่ใต้การมือขวาของท่านมาถึงท่าท่านเนี่ยท่าท่านแตคุณไปซื้อมาเนี่ยพอเลี้ยงมันเลี้ยงมันเลี้ยงมันเนี่ยมันมันต้องการจะวางตัวเสมอเท่ากับเจ้านายคุณพอใจไหมหรือว่าอีกอย่างนึ่งเราไม่ลูกน้องอยู่ทุกวันเนี่ยสี่คนห้าคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ย แต่บางครั้งบางค้ามันก็เปิดเปิดอะไรนะเข้าไปในห้องนอนเราพอใจไหมแค่ข้าห้องนอนยังไม่พอใจเลยนะและบางทีมันก็เปิดสตังกระเป๋าตังเราเปิดดูทําตัวเท่าเป็นเท่ากับจะเป็นเท่ากับอะไรนะเสมอทําตัวเหมือนกับเจ้านายทําตัวเท่ากับเราพอใจหรือไม่พอใจเข้าห้องเราเดินเข้าไปในบ้านเรา คุยกับภรรยาเรา โ, โหยคุยกับลูกสาวเราเอ๊ะมันเป็นทาตุนะเออมึงวางตัวอย่างนี้นี่อรรถอธิบายนี้ละคือชิริกแล้วนะในเมื่อคุณไม่พอใจที่จะให้ทาตคุณมามีหุ้นส่วนในทรัพย์สินของคุณในธุรกิจของคุณคุณไม่ต้องการแต่ทําไมคุณไปยุ่งกับอลรรถทําไม อ, ะอ่ะอรลถนะั้นมันใหญ่สุดใช่หรือไม่ใช่แล้วก็คุณเนี่ยมีเงินมีทองเนี่ย อัลลอฮ์ให้แต่งตั้งให้คุณเป็นเจ้าของชั่วคราวใชไ่ไหม่ะใช่อยู่จนกว่าจะตายแต่อลัลลอฮ์เนี่ยอยู่ไปตลอดเนี่ยวันนี้นะคุณนะวางตัวเท่ากับอลัลลอฮ์นี่ต้องการจะอธิบายเรื่องอย่างนี้ให้คนที่อ่านกุรอานเข้าใจว่าอยา่าทำชิริกเช่นเรื่องกราบเนี่ยเรื่องกราบเนี่ยคุณกราบอลัลลอฮ์แล้วไปกราบรูปจระเว้ด้วยไปกราบต้นกล้วยด้วย กราบโตตะเกียด้วยไอการกราบเนี่ยมันเข้าเท่ากับอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะคุณไปตะวับโตตะเกียดตะวับใบตูลอขออัลลอฮ์พอแล้วคุณไปตะวับโตตะเกียอีกแล้วก็ไปขอจากโต๊ตะเกียอีกคุณขอจากโตตะเกียดคุณวางเท่าตะเกียดเท่ากับอัลลอฮ์สุภาโนวตาระคุณมีคนชายที่อยู่ที่บ้านเดินเข้าห้องคุณคุณยังไม่พอใจเลยมาคุยกับลูกสาวคุณคุณยังไม่พอใจเลย มาคุยกับเมียเราก็มีเราก็แต่งตัวเมียเร้รอยมึงเข้ามาในบ้านมึงคุยเรายังไม่พอใจก็ทำไมเรื่องของอัลลอ์ก็เหมือนกันเข้าใจไหมนี่ไงอิสลามสอนดีไหมฉะนั้นเรื่องของอัลลอ์ต้องยกเว้นเลยอย่าไปยุ่งฉะนั้นนี่เป็นข้อเตือนใจนะดอรอเบลากุมมาซาลามินอัลฟุสีกุมอัลลอ์ทรงเปรียบอุปมาสำหรับ สูเจ้านะที่มาจากตัวของสูเจ้าเองจะมีบ้างไหมสำหรับสูเจ้าที่จะยอมให้ผู้ที่เป็นมือขวาของสูเจ้าครอบครองหรือว่ามีหุ้นส่วนในทรัพย์สินของสูเจ้าคุณพอใจหรือไม่พอใจไม่พอใจใช่ไหมนี่เรื่องจริงทั้งหมดเข้าใจง่ายไหมโอ้ใช่เลยเรามีเงินอยู่พันล้าน อัลลอฮ์ลูกจ้ามีหุ้นส่วนด้วยอัลลอฮ์ตามตกลงมาบวกในฉันด้วยมึงเป็นใครเหมือนกันอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เราเนี่ยอัลลอฮ์ให้เป็นผู้จัดการเพียงชั่วคราวนะแต่อัลลอฮ์นั้นเป็นเจ้าของโลกนี่ทั้งหมดแล้วก็มนุษย์ก็ยกสิ่งอื่นไปเท่ากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ไม่พอใจเอาต่อมาครับ มิสุรกาฟีมารอซกคนาคุมในริสกีที่เราได้ประทานให้กับพวกท่านทรัพย์สินที่อัลลอประทานให้กับคุณเนี่ยคุณไม่ต้องการที่จะให้ทาสหรือคนใช้หรือพนักงานมีหุ้นส่วนในริสกีของคุณคุณกินแค่เงินเดือนพอแล้วไม่ใช่มามากินอะไรนะอลัลลอฮฺกินนูน่นกินนี่ทำตั ว, ตวโหัเท่ากับเจ้าของบ้าน เป็นใจยังไงนี่สิลิอาต่อมาครับฟะอันตุมฟีฮิสวะแล้วสู่เจ้านะครับมีคนมาวางตัวเท่ากับคุณในทรัพย์สินนะคุณพอใจไหมละ่ะสว้าแปลว่าเท่ากันวางตัวเท่ากันนะครับในทรัพย์สินของท่านฟะอันตุมฟีฮิสวะธาต์มาวางตัว เท่ากับเจ้านายคุณพอใจไหมไม่พอใจเอาล้อแค่เข้าห้องเราห้องเราเราโน้นเนี่ยเรายังไม่พอใจแล้ววันนี้คุณก็ทําตัวแข่งกับอัลลอฮ์อยู่ทําตัวเท่ากับเราตาลาอยู่นะครับตาคอฟูนาฮุมสูเจ้ากลัวพวกเข่าวเรานั้นคือกลัวทาตจะมามีอํานาจเท่ากับตัวเรากาฮีฟาติกุมเหมือนกับพวกท่านกลัวว่าทรัพย์สินของคุณนั้น จะหลุดไปอยู่กับคนอื่นกาซาลกนูฟสซิลุลอายาในทํานองเดียวกันนี่แหละเราได้อธิบายสัญญาณต่างๆทั้งหลายนะครับอย่างละเอียดนูฟสซิ่นแล้ว่าอธิบายอย่างละเอียดเลยนะหรือเขามียาองติลูนสำหรับมูชนที่ใช้ปัญญา ถ้าเข้าใจายานี้ดีนะชิริกกล้าทำไหมชิริกไม่กล้าทำถ้าเข้าใจายานี่อย่างดีนะแต่เข้าใจยากนิดนึงแต่ต้องอธิบายบ่อยๆนะสรุปง่ายๆก็คือว่าเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการที่มีทรัพย์สินเงินทองจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยลูกน้องเองแค่เป็นพนักงานกินเงินเดือนพออยังพอแล้ว แต่ถ้าพนักงานหรือลูกจ้างน่ะวางตัวเท่ากับเจ้าของบ้านเจ้าของกิจการเราพอใจไหมเรายังไม่พอใจถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยมันยิ่งกว่าเราตั้เยอะแยะอัลลอฮ์ก็ไม่พอใจมนุษย์ที่มาแข่งกับอัลลอฮ์ไปกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ความจริงไอการกราบเนี่ยกราบเฉพาะอัลลอฮ์องเดียวนะเราคุณก็ไปกราบคนนั้นกราบคนนี้กราบนู่นกราบนี้กราบอะไรต่างๆกราบแม่น้าคงคากราบบัวเราไปกราบทําไมเพราะการกราบเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์เท่านั้น ที่มนุษย์จะต้องไปกราบอัลลอฮ์แต่พูนก็ไปกราบสิ่งอื่นเหมือนกับว่าเอาลูกน้องเนี่ยมาทําตัวเท่ากับใครนะเท่ากับเจ้าของกิจการเจ้าของงานเป็นเจ้าของบ้านโอ้โหทำตัวใหญ่เท่ากันแคเบเปิดตังเรากระเป๋าตังนี้ก็ไม่พอใจเลยใช่ไหมอ๋อนี่ไปกราบตะวัฟใบตุ่นอ้อตะวัฟต๊ะกียร์ดูอัลลอฮ์เองทําได้ยังไงอัลลอฮ์ไม่พอใจเพราะฉะนั้นเรื่องชีริกต้องทิ้งให้หมดก่อนตาย อย่าพาเชลิกติดตัวไปทีนี้ชลิกชลิกที่ น, นะนนะเชริกที่เห็นยากมากที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมปฏิบัติตามอารมณ์อารมณ์ของตอของเรามีไหมมีครับแต่ท่านคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์และทิ้งคําสั่ง Allah, อัลลอฮ์ขอยกตัวอย่างไซนาอาลัลีไซนาอัลีนี่ไปทําสงครามกลับมาแล้วก็มานอนอยู่ที่ คนต้นไม้ซาวาบ้านนบีนะนอนอยู่พักผ่อนอยู่โคนต้นไม้กันน่ะในซาอุดีน้อมก็ร้อนนะนะเสร็จแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเนี่ยเห็นคนมุชลิกมาเนี่ยเอาดาบเนไปจ่อไปจ่อที่คอจะฆ่าแล้วคนมุสลิกคนนี้ทมน้ำลายใส่ใส่หน้าใส่นาอาลี ไซนารีวางดาบเนี่เี็กรณีตัวอย่างนะคนมุชเชกว่าทําไมไม่ฆ่าฉันล่ะเขาเรียกว่าฉันไม่ฆ่าคุณเมื่อตอนแรกเนี่ยฉันฆ่าคุณในนามของอัลลอฮ์พอคุณถทมน้ําลายใส่หน้าฉันปั๊บเนี่ยอารมณ์โกรธมันเข้ามาแทนอัลลอฮ์หนีไปเลยอารมณ์โกรธมาเลยถ้าฉันฆ่าคุณตอนนี้ ขฆ่าเพราะความอะไรเพราะความโกรธไม่ใช่ฆ่าในนามของอัลลอฮ์นี่อารมณ์ครับฉะนั้นคนที่เอาอารมณ์ตนเองใหญ่กว่าคำสั่งของอัลลอฮ์ชิริกนี่ความละเอียดของขอ ง, ขอ ง, ข, อ ง, ข, องของอิสลามะเห็นอย่างครับนี่อายาเนี้ก็เตือนเหมือนกันอายาเนีน้เอาตัวอย่างคุณนั่นแหละเป็นเจ้าของกิจการง่ายๆแล้วมีลุนง 4, 5, น้องสี่คนห้าคนระวังตัวเท่าคุณคุณพอใจไหมล่ะ คุณก็ยังไม่พอใจเข้าออกบ้านแบบไปต้องขออนุญาตเองเป็นใครอ่าช่ไหมปเปวยกระเป๋าฉันเองเป็นใครมีหุ้นส่วนนยท ร, รัพย์สินเองเป็นใครเองแค่ลูกจ้างมนุษย์เนี่ยอา a l สร้างมาทั้งหมดระวังตัวเท่าอล l อ h มีไหมโอโ้โหครึ่งโลกนะกว่านะสี่สิห้าวเซนนี่ยวางตัวแขนกับอล l อ h หมดเลยนี่ก็เรื่อชีิตนะ โดยเตสนี้พวกเราต้องทางานหนักนะอธิบายเรื่องชีริกให้ประชาชนฟังให้ลูกฟังให้ภรรยาฟังเอาเรื่องของตัวเองนี่แหละอธิบายแล้วมันเข้าใจง่ายฉะนั้นอย่าพาชีริกติดตรงไรอย่าพาชีริกติดพะขาวไปเพราะอัลลอฮฺพูดอะลักุลอาบว่าไงนะไหมใครที่ทําชีริกอัลลอฮฺจะไม่อภัยโทษให้แต่ถ้าหากว่าชีริกไม่มีมีความผิดด้านอื่ น, นๆเช่นนมาฎขาดไปบ้าง บวชขาดไปบ้างอลัลลอฮฺอาจจะพายอัทโทให้แต่ชีวิตเนี่ยอลัลลอฮฺไม่ยอมนี่อธิบายเข้าใจง่ายงานจะ้ะฉะนั้นขอทุกอาต่อลลอฮฺนะครับให้พวกเรานั้นมีไม่มีอะไรนะมีริสกีมีความดีเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาในตัฟซีอธิบายจะคล้ายๆกันนะครับผมดูตัฟซีภาษาอุรุดภาษาังกฤษภาษาอาร랍 อัลลอฮฺอักบารก็ได้ข้อมูลมาง่ายๆนะว่าชิริกนี่เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดยาอะไรนะอย่าพาติดตัวไปอย่าพาติดโล่ไปอย่าพาติดผ้าขาวไปเพราะชิริกนั้นทำอันตรายให้กับตัวเองหลังตาย